ระบาทนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งคัดสมาแสดงความองค์อาจก่าหาญในใจให้จิตใจมีความเพียรความมันความกยันตื่นขึ้นลุกขึ้นในหัวใจ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 ังใจบริกรรมภาวนามีพุตโธพุโทโธในใจเป็นต้นจิตใจหรือว่าจิตคนเหล่านั้นต้องฝึกฝนอบลมจึงจะเป็นไปได้ให้ใจมันมีความเพียรความเพียรความหมั่นความขยัน ไม่ให้เกียรติคานไม่ว่าจะเป็นการห้องบนสาัขยายพระธรรมคำสั่งสอนก็ไม่ให้เกียรติคานให้มันความเพียร น, นั้นคือว่ามันขยันกราพระไหวพระสวดมนต์ก็ยาเพียงหมายแต่ว่ามารวมในหมู่ในคณะกราพระไหวพระ เราอยู่คนเดียวก็กราบได้ไหว้ได้นั่งสมาธิภาวนาได้สวดมนต์ภาวนาได้เดินจมกรมได้ความเพียร น, นี่แหละท่านว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญวิริเยนะทุกขมัดเจติพระพุทธเจ้าทรงตัดว่า ผู้มีความภาเพียรพยายามแล้วกิจกรรมการงานใดๆ ไ, ไม่เหลือวิสัยผู้มีความเพียรพ้นทุก์ได้แต่ผู้มาภาวนาตั้งใจปฏิบัติไม่มีความเพียร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 เมื่อมีความเพียรอะไรมันจะเหลือความเพียรดูพระพุทธเจา้าที่ดานได้ตรัสรูสปเป็นพระพุทธเจา้าท่านมีความเพียรสี่อสงไขยแสนมหากัมท่านยังมีความเพียรความมันขยนัน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 นั่งก็ไม่ยอมให้มันง่วงเหงาเหาหนอนยืดตัวขึ้นให้มันสูงสุดไม่ให้กระดูกสันหลังมันอ่อนลงไปได้เดี๋ยวเพียนเพียนพยายามฝึกตัวเองอยู่มันจะเหลือผู้มีความเพียนไปไม่ได้เพราะว่า บนแผ่นดินนี้ผู้มีความเพียรผู้ไม่ทอดแพร่ออนแอร์ในดวงใจไม่ว่าจะทำอะไรย่อมสำเร็จได้ดูตัวอย่างประพุท ธ, ธิจาเมื่อเห็นแล้วเราก็ต้องตั้งความเพียรลงไปภาวนาลงไป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 จะจัดว่าเป็นผู้มีความเพียนมีภาวนาไม่ได้ความเพียนความหมันความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเมื่อมันเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆขึ้นมาก็ให้สีสละทุกสิ่งทุกอย่างลงสู้สู้ด้วยการละทิ้ง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 กิเลสในใจมนุษย์คนเรานั้นมันเป็นไฟไหม้หัวใจของตนอยู่ทุกเวลาเรายังเด็กอยู่ไฟไหม่ไม่ได้ไม่ได้ก็เหมือนไฟภายนอกเด็กไปเถอเข้าม่ก็เหยียบไฟไหม่เท่าไหม้ไไมมสิเหยียบมากก็ไหม้มากเข้าโซกองไฟก็ตายเลย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 จิตมันอ่อนแอทอดแทนจิตมันคุนมัวมันไม่ใสพุทธทไม่อยู่ในจิตจิตไม่เข้าถึงพุทธทพุทธ โ, ทโยภายในใจสว่างแจ้มไม่ลหลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุาธาตทั้งหลาย ตั้งใจยกจิตใจของตนขึ้นมาเอาจนให้ได้คำว่าผู้มีความเพียรย่อมสำเร็จได้ทุกอย่างทุกประการตั้งใจทมตั้งใจพูดตั้งใจคิดตั้งใจภาวนามันไม่เหลือวิสัยของผู้มีเพียร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 แม่พุโทโธคำเดียวก็ได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งคณิพานเพราะอะไรเพราะองค์นั้นผู้นั้นทำจริงจริปฏิบัติจริงๆพภาวนาจริงจริงตั้งจิตตั้งใจจริงๆริตั้งเนื้อตั้งตัวจริงๆริงเอาจริงเอาจังทุกอย่าง <c oughs>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 มันไม่จริงอย่าไปถอยความเทียนโดพระสาวกในขั้งพุทธการท่านทำจริงท่านเดินจมกลมอย่างเดียวเอาจนได้สำเร็จมาผลเห็นแจ้งพระนิพพานท่านทำอย่างไรคำว่าจริง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 ไม่ยอมหยุดไม่ยอมนั่งถ่านั่งมันใครหละ่ะหลับตาก็ยิ่งลายใหญ่เดินเอาอย่างเดียวเดินไม่รู้ว่ามันนานเท่าไรหละ่ะเดินจนหนังเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้แล้วเราท่านทางหลายผู้นั่งภาวานาอยู่นี่เดินเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้มีหรือไม่เห็นมี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 อีนี้คานไม่ได้ทันทำอย่างไรท่านก็ไม่ต้องนอนหรอกแต่ท่านนอนขวางทางจมกลมแล้วไม่ใช่นอนนิ่งๆให้มันหลับพลิกเหมือนกับเดินจมกลมในทางนั้นอีมันเยืดยาวลงตั้งแต่หัวถึงตีนทีนี้มันก็ไม่มีที่ไหนแตกแรอกมันกลิง้งไปพลิกไปจนสุดทางจมกลม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 เท่าผีหลอกเท่าผีหลอกท่านไม่ยออ่อท้อใจไม่ยออ่อท้ออันนั้นแห ล, และเรียกว่าความเพียนไม่ใช่คำเพียนพูดปลายเล่นเท่านี้ท่านมีความเพียนจริงๆไม่ยอมให้มันนิ่งทำมันนิ่งมันก็หลักคลิกไปกลิ้งกลมไปเลือ่อนมันจะตายก็ช่างสิ ได้ภาวนาทำความเปลี่ยนละกิเลสเป็นสิ่งสำคัญความตั้งใจองนั้นเมื่อถึงขั้นนอนเยี่อตามแผ่นดินแล้วกลิ้งไปเถิดมันไม่ไม่แตกแลวที่นี้มันไม่มีที่ไหนหนักถ้าเดินมันก็ไปลงหนักที่เท้าที่ตี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 ไม่ต้องไปถามหามรรคผลนี่านนะท่านเอาจนสำเร็จแม้เราทุกคอนก็เอาให้มันขนาดนั้นแล้มันจะไปเหลือวิสัยไปได้หรือมันยังไม่ถึงขั้นนั้นมันไปถอยเสียก่อนหยุดเสก่อนมันกลัวตายเนะี่ยมันจึงได้มาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นมันนอนอยู่ในท้องแม่นับพบนับชาตดไม่ตัว ก็เพราะจิตอันเนไม่มีความผิดไม่สมกับพุทธภาสิทธิว่าวิริเยนทุกขมาเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเผยนไม่ใช่เพียงคำพูดวาจาที่เป่งออกมามันเป็นการกระทาทั้งหมดนั่นแหละโดที่ท่านทำจนกระทั่ง ถึงขั้นนอนนอนจมกลมจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอน า, าคาเป็นพระอรหันตาในทางจมกลมนั้นในจิตที่ไม่ไหวหวั่นทั้นคือไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บ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 ถ้ายังไม่ถึงเอาให้มันถึงไม่ถึงให้มันตายเสียดีกว่ามาลอกินข้าวสุกทุกวันใจขี้เกียจใจที้านใจที่หลับที่นอนใช่ไม่ได้เตินขึ้นลุกขึ้นอย่าไปเพียงว่าเห็นคนอื่นง่วงเหงาหานอนตัวเองไม่เห็นตัวเอง ใจตัวเองไม่เห็นกายไม่เห็นจิตไม่เห็นทุกเห็นัยในวัฏฏะสงสารยังจะมาเข้าใจผิดคิดหลงไปว่าความสุขความสบายในลูกในนามในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลในมนุษยโลกเทวโลกพรมโลกยังมีความสุขอยู่มันจะหาเอาความสุขอันเป็นสุขโลกีนั้น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 ให้ภาวนาละกิเลสไม่ได้ได้แต่ขี้คุยมีขี้อยู่ในหัวใจขี้กรอดมันก็โยนี้ขี้รอบมันก็อยู่นี้ขี้หลงมันก็โยนี้มันไม่ลกขึ้นภาวนาทาความเพียรมันมีแต่ความอยากมีแต่ตัณหาตัณหามันหามาตันไว้มันหามาปิดมาบังไว้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 องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีสิบบารมีสามสิบพัดเป็นบริบูรณ์ทุกส่วนทุกประการเมื่อถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรเหลือแห ล, ละละกิเลสราคะก็ได้ละกิเลสโทสะ ก, ก็ได้ละกิเลสโมหะก็ได้ไม่ได้อย่างไหนท่านมีความเขียน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 เป็นผู้มีความเพียรอันใหญ่ยิ่งไม่มีมนุษย์และเทวดาอินพรหมที่ไหนมีความเพียรเหมือนพระพุทธญาณรัพพะสุลูพระอนุตตรสะสมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองไม่มีใครมาเขี่ยมสอนให้พระองค์มีความเพียรเองความหมั่นความกระยันความอดความทน ละองฝึกฝนอดปลอมจิตใจของพระองค์มีปัญญาเฉียวฉลาดมีความสามารถอาจฐานทุกสิงทุกอย่างเหมือนกระวาคขืนแผ่นดินหนักเท่าไหร่มันเอาแผ่นดินทั้งแผ่นดินลอยไนดะ้นั่นละคือว่าใจพระพุทธิจ้าเป็นผู้มีเพียรใจพระ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 นักเท่าแผ่นดินก็เอาแผ่นดินปลิวไปดังความเพียรความหมั่นความขยนันความตั้งใจไว้ดีชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญกุศลเจดใจจะไม่สงบระงับไม่ได้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปในทางที่เราสร้างสรรฝึกฝนอบรม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 ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรนั่งสมาธิภาวนาหลับตาภาวนามันก็ได้ชั่วเนื้อนื้อในหน่อยเมื่อความเพียรไม่มีก็สร้างความเพียรให้เกิดมีขึ้นพุทโธในใจลหลงไหลธรรมะไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมนั่งก็พุทโธในใจ นอนก็พุโทโธในใจเดินก็พุโทโธในใจเดินไปไหนมาไหนก็พุโทโธในใจกิเลสโลเลสละให้หมดโลเลไม่ท่อแท้ออนแอในหัวใจเรียกว่าเป็นคนใจดีใจงามใจฉเฉลียวฉลาดสามารถอาจฐาน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 ไม่ใช่มือเท่าร่างกายมันมีความเพียรเจตนั้นมันมีความเพียรเจตมันมีความสามารถอาฐานพ์เจตมันไม่ทอดแท้อ่อนแอเจตมันมีสติสำปะชัญญะมีสติในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ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 ตัวโกของโกตัวฆ่าของฆ่าฆ่าเป็นอะไรฆ่าเป็นนั่นเป็นนี้เป็นอะไรมันก็เป็นไปสู่ความแก่ความชลาเป็นไปสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปสู่ความตายเหมือนกันตายแล้วมันมีวิเศษวิโสอะไรยังไม่ตายมันวิเศษวิโสอะไรวิเลสเหล่านี้ให้พากันลุกขึ้น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 ทำเพียนให้มันถึงถึงได้ทุกขนถึงได้ทุกหัวใจโลได้ทางนั้นไม่ต้องไปถามคนอื่นถามหัวใจของตัวเองว่ามันมีความเพียนหรืออย่างมันตั้งใจมั่นหรือยังในใจนั้นไม่มั่นคองมันไปอยู่ที่ไหนไม่ได้กินข้าขคาหัวใจหรือ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 กิเลสความปลดความโลภความหลงแบกไปหาไปหามไปเถื่อเถละากลิเลสโลเลพระพุทธเจา้าสอนให้ละทิ้งได้ละทิ้งหรื อ, อย่างได้ปล่อยได้วัดทิ้งหรื อ, อย่างไม่ทิ้งเดี๋ยวนี้จะเอาไปทิ้งที่ไหนไม่ตั้งเดี๋ยวนี้ไปตั้งที่ไหน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 เกิดมาทำไมตายเสียดีกว่าเปลืองเข้าสกนา น, นในตั้ง อ, อกตั้งใจมันจะไดนดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหน้ามันเหนื่อยไปหิวไปให้จิตเรามีความเพียรกายไม่ว่าทำอะไรให้มีความเพียร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 ไม่เพียงถึงขนาดนั่นพระสาวกเจ้าทั้งหลายในคลังพุทธศาลท่านเดินจมกรมภาวานาทำเพียนอย่างเดียวจนนอนจมกรมแล้วก็ได้สำเร็จไม่สำเร็จมันไม่เยุดเหลือหละเอาถึงขนาดนั้นละมันได้ทุกคนน่แะ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 ถ้ามันเต็มที่เต็มฐานเมื่อยังไม่เต็มที่เต็มฐานไม่ต้องบน่นพกอะไรสรันวะไม่ต้องไปบน่นมีความอดความทนมีความเทียนความมันมีความกยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจในจิตในใจนะั้น กายวาจามันก็ไม่ทอแท้อ่อนแอเหมือนกันใจเอากายวาจามันเอาทางนะจิตมันเป็นนายร่างกายมันเป็นบ่าวไพรละะ่ลาศดถ้าจิตมันสั่งการให้ทาให้ปฏิบัติให้เลิกให้ลัละได้หมดเลย นั้นพุทธพาสิทธิที่พระองค์ทรงตัดลว่าวิริเยนะทุกขมัจเจ ต, ติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรพระพุทธเจ้าได้สัตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะความเพียรพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้บรรลุมรคลเห็นแจ้งคณิพาน ทั้งก็มีความเพียนความขี้เกยียจที่ค้านมักง่ายทันละทิ้งปล่อยทิ้งตัดทิ้งเอามันเด็ดขาดลงปัดความเพียนมันก็เกิดขึ้นเต็มที่ไม่ว่ากิ จ, จกรรมการงานใดๆทายนอกภายนายเมื่อมีความเพียน ทำได้ปฏิบัติไนดะ้ทุกอย่างไปบาพระอกุษฐเจ้าถอนว่าไม่ให้ทำเราก็เลิกในกายวาจาจิตของเราเด็ดขาดลงไปเมื่อละบาดได้ทุกในเรื่องบาดมันก็ไม่ดีเมื่อไม่ละบา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 ทุกคนมีความเพียรความมันความขยันขันแข็งสามารถอ า, านหามแล้วก็ย่อมสำเร็จรุลวงได้ทุกทว น, นาฉะนั้นดวงจิต ด, ดวงใจของเราอย่าได้ประมาทต่อไปประมามาแล้วก็ให้แล้วไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาท พกลมหายใจเข้าออกมารณะกรรมถานพุทโธในดวงใจไม่ให้หลงหลืมฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่าทั้งหลายถ้ากันได้สดับรับฟังแล้วให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการละนีสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยทุขีเทขายุโกภะวะนภิวาทนาสีริษนิจังบุต ธ, ธาสญาญิโน ยะตาโรธรร ม, มาวะชันติอายุวันโลสุ ข, ขังถาลัง